หมวดที่สามกษุทั้งหลายตัชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. โจทยโจก่อนแล้วจึงลง 2. ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลง 3. ปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลง